ต้องจะเจอเธอนั้นมันทำให้ฉันก็คุมหัวใจไม่ได้มองที่เดียวก็รู้ว่าใช่รู้ไม่แค่เพียงสัปดาก็ทำให้คนคนหนึ่งบ้ า, บา ยิ้มของเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะลอดคนอะไรยิ่งดูยิ่งใช่ตกรลุมนเธอเูแล้ววันนี้ก็คงไม่แคล้วคิดถึงเธอแต่เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนลอกไปทั้งใบจะไม่เคยรักใคร ใช้ชีวิตรวมกันไหมก่อนที่คนคนหนึ่งจะขาดใจเพราะเธอถ้าเธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนทันแทบคลั่งตายจุรอนทุรายที่มันทำได้เพียงลังมาได้ปลดสักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอ ยินดีน้ำเสนอหัวใจที่พร้อมปล้นแต่ให้เธอผู้เดียวนอนก็ไม่เคยนอนจะกินอะไรก็กินถ้าไม่เคยได้ฟังเราอาจจะดูมันเวอร์ Facebook Social ยลอะไรที่โพสไปแบบเพืเอ่อเพราะเธอคนเดียวนั่นไง เงเธอเพียงนิดทำให้ความคิดของฉันนั้นมันตะลอดคนอะไรยังดูยังใช่ตกรุมรักเธอเขาแล้วคืนนี้ก็คงไม่คล้วคิดถึงเธอ ตั้เราพบกันมันก็เหมือนเปลี่ยนโลกไปทั้งใบจะไม่เคยรักใครก็รักง่ายๆอยากจะลองรบกวนชวนมาใช้ชีวิตรวมกันไหมก่อนที่คนคนหนึ่งจะขาดใจพราะเธอ คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันแทบพลังตายทุรนทุรายที่มันทำได้เพียงหลังมาได้ปลอดสักครั้งให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอมันยินดีน้ำสนาหัวใจที่พร้อมปล้นเธอ มันมีเพียงสักนาทีที่ฉันนั้นหยุดคิดถึงเธอถ้า เ, เธอไม่รักวันนี้ก็คงจะทนไม่ได้ทุกคืนฉันแทบคลั่งตายทุรนทุรายที่มันทำได้เพียงลามาได้ปลอยสักครั้ง ให้ฉันเข้าไปที่ใจของเธอมันยินดีน้ำเสนอหัวใจที่พร้อมร้น